หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะดูความพิสูุทั้งหลายครั้งนั่นแหลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ทรงพระดํำริว่าชไนหนอเราพึงแสดงธรรมนะก็คือพึงแสดงพึงประกาศอริยสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วดูความพิสูจนทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี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 แต่เป็นธรรมะที่รู้ได้เฉพาะในเวทวงของบัณฑิตทั้งหลายส่วนหมูสัตว์นอกนี้นะก็คือหมูสัตว์ที่อื่นจากบัณฑิตเนี่ยนะมีอาไลเป็นที่มายินดีก็คือคําว่าอาไลนั้นเป็นชื่อของกรมคุณทั้งหลายเนะี่ยติดในกรรมคุณเรียกว่าอาไลนะด้วยอํานาจแห่งตันหาเรียกว่า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 เห็นยิ่งยิ่งขึ้นไปปราถนามีแต่จะฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของกา ร, รมมคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นหมูสัตว์เหล่านี้จึงเป็นผู้ที่มีอาลัยเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอาลัยเบิกบานแล้วอะไรมันคนที่มีใจให้แก่ก ร, รมทั้งหลายหมดแล้วกค่าวว่ายกใจให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธาพะทั้งหลายเนี่ยหมดตัวแล้วว่า ง, งั้นเยากที่จะได้เห็นฐา น, นะคือปฏิจจสมุปบาท การที่จะรู้สัจจะโดยอนุโลมเนี่ยนะยากที่จะรู้ทุกขสัจที่จะรู้สมุทยัยสัจเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยที่จะรู้ว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีพบเป็นปัจจัยพบมีอุปาทานเป็นปัจจัยเนี่ยยากมากที่ยากเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะใจเขาคิดแต่เรื่องอื่นปฏิจจสมุปบาทประกาศตามความเป็นจริงว่ากองทุกแต่เขากลับเห็นว่าเป็นความสุขสมานัตเนี่ยนะที่ตั้งแห่งสุขและ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 มันเมื่อทุล cultura, ออีฝุ่นละอองเนี่ยนะเหมือนกับว่าฝุ่นละอองเนี่ยเต็มเบ้าตาไปหมดมันเป็นฝุน่นที่มียาพิษอ่ะนะเรียกว่าเอามาโปะตาเอาไว้ก็ยากที่จะเห็นความจริงเขาโ ม, มแต่คันในตา Stanford, ว่างั้นแหละโมแต่คันตาโมแต่ตาพร่าโมแต่ตาเสียโมแต่ตา mm. เรียกว่าโมแต่ทุกโมแต่ร้อนก็นยากแท้ที่จะได้เห็นจากความจริงยากแท้ที่จะได้เห็นปฏิจจสมุปาฏ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 นั้นพึงเป็นความลําบากแก่เราเหนื่อยฟรีแน่งานนี้บยางนั้นนะนะรู้เลยว่าเหนื่อยฟรีแน่ค่ากันเทศก็ไม่ได้นะยังไะก็คือมันได้อะไรบ้างนะถ้าคิดว่าเออเขาจะได้ถวายบิณฑบาตเอาไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเรื่องนั้นจะได้มีที่อยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกมันจะเห็นแก่อะไรนี่มันนี่อุตสาหะ อ, อะไรนะมันยากก็่ยากลึกซึ้งก็ลึกซึ้งเขาก็มีใจเป็นอื่นด้วยไปพูดในสิ่งที่เขาไม่สนใจแล้วให้เขาฟังถ้าเขาไม่รู้มันนี่เหนื่อยฟรีเหรอเนี่ย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 ปกติสัตว์ที่ถูกราคาโทสะโมหะครอบงำแล้วไม่ใช่จะตรัสรู้อริยสัจธรรมนี้ได้โดยง่ายเลยไม่ตรัสรู้ทุกโดยการกำหนดรอบรู้ได้โดยง่ายเลยไม่ตรัสรู้สมุทัยโดยการละโดยง่ายเลยไม่ตรัสรู้นิโรธโดยการทำให้แจ้งโดยง่ายเลยก็แปลว่ายากนันแหละนะไม่ง่ายก็แปลว่ามันยากว่างั้นนะยากที่จะกำหนดรู้ทุกว่างั้น ยากที่จะละสมุทยัยยากที่จะทํานิโรธให้แจ้งยากที่จะเจริญอารยมรรคนะนะชวนการรักษาศีลเอาไหมฮะชวนเพื่อนมารักษาศีลก็ชวนเพื่อนจัดงานเลี้ยงให้เอาไหมอันไหนง่ายกับการอุย้ยต่างกันเยอะเนี่ยนะหาเงันฟ้ากระหิวอย่างนั้นมันก็ยากอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะเขาถูกราคะกลุ่มรุมเขาถูกโทสะครอบงําอวิชชาทําให้เขาไม่ตรัสรู้มันหมูสัตว์เนี่ยถูกราคาย้อมเอาไว้แล้ว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 ชายภาคของเราหรือใครเดินมาเหยียบรองเท้าเราสิเออก็บโดยที่สุดแม้แต่เดินเหยียบรองเท้ายังเดือดร้อนเลยแบบงั้นมันกิเลสเนี่ยมันย้อมไม่ทุกคนทุกแห่งไปหมดเนี่ยนะถูกกองแห่งอวิชชาคือความเมื่อยหุ้มหอ่อห่อไว้ให้ไม่รู้เออแบบมาจากไหนไม่รู้อีกนะว่าจะไปไหนไปทําไมอยู่ทําไมอะไรทําไมไม่รู้เลยนะียรู้ว่าตัวเองจะเจริญกําลังเจริญกําลังเสื่อมอนะจะบรรลุได้เมื่ อ, อไรบรรลุอะไรยังไงไม่รู้เลยมันหอ่หอห่อสนิทเลย เคยเห็นตัวใหมไหมไก่ค้าแบบนั้นน่ะตัวนอนตัวดักแด้ที่มันอยู่ในหลอดไม้นะในในในหลอดไหม้หรือตัวผีเสื้อที่มันอยู่ในหลอดทั้งหลายเนี่ยก็อย่างนั้นแหละมันห่อหุ้มไม่ไม่รู้จะโผล่ออกมาตรงไหนก็ไม่ยากมันยากแท้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจับเห็นไม่ได้ซึ่งธรรมะที่มีปกติทวนกระแสเนี่ยนะก็ทวนกระแสตามกระแสก็คืออะไรเพลิดเพลินปล่อยใจให้เพลิดเพลินในรูป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 คนที่คิดจะไปใจของพระที่คิดจะศึกเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ห้ามยากหมดเลยเขาว่ากันมันมันยากที่จะเข้าใจไอ้สิ่งที่มันทวนกระแสะแบบนี้ยากนะไม่เชื่อนะเราวิ่งถนนเลนอีกเลนหนึ่งแล้วก็ไปโบกให้คนอื่นวิ่งมาตามเราดูเถอะให้เลนตรงกันข้าวนะวิ่งมาตามเราโอ้ยไปทําไมเสนโน้นมันผิดมาทางนี้สิมาทางนี้สิาาสคุณยูเทิร์นมาเลยนะ่รีบยูเทิร์นมาเลยเนี่ยนะแล้วโบกข้างทางไปเนี่ยอาจจะเชิญได้โรงพักหรือเชิญในสงบสติอารมณ์ก็ได้มันยากแบบนั้นแหละ นะเพราะเป็นเรื่องที่ทวนกระแสะมากมันทวนแบบชนิดที่เรียกว่าคนละเลนอะไรมาเงี้ยแต่คนละฝ้า ก, กันเลยอะละเอียดด้วยนะ่ยนะปกติเนี่ยตาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วใช่ไหมถูกกิเลสเนี่ยนะถูกฝุ่นละอองย้อมไปหมดเนี่ยนะมันจะเจอของละเอียดละเอียดเข้าเลยนะแล้วก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากเช่นกับอนูเป็นอนูก็คือเหมือนกับอนูมันเหมือนกับฝุ่นละอองถ้าู้สมัยใหม่ก็เหมือนอะตอมนั่นแหละมันเล็ก ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะยากที่จะเข้าใจแล้วก็มันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่แบบจอแล้ววิจัยให้มันเห็นเลกแบบเห็นอะตอมแบบนั้นไม่ใช่อีกแบบนั้นแต่มันหมายถึงมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยนะแล้วสิ่งที่อาศัยเหตุผลขึ้นมาพ่อพูนคุณธรรมที่จะต้องเจริญต้องพ่อพูนคุณธรรมอีกตั้งมากมายเพรา ะ, ะนั้นก็เลยคิดว่าเออสรุปว่าไม่ต้องไม่น่าสอนในยแบนั้นไม่ควรเลยที่จะประกาศรบบนั้น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 หดหมดเลยนหมวะไม่น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมบอกน้อมไปไหนบอกน้อมไปเงียบเหมือนกันนะก็ว่าโอ้ที่โคนไม้ก็อยู่เป็นสุขดีอยู่แล้วเนี่ยต้นโพก็ไม่ได้มีใครมาไล่ที่ไล่ทางเลยก็อยู่แต่นนเนี้็สบายอยู่แล้วเหมือนนดูกับพิสูน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรงองค์หนึ่ง ได้ทราบปริวิตตกในพระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีด้วยใจเนี่ยนะก็เรียกว่าพรมรู้ใจเนี่ยนะพระองค์ก็เลยพรมน่ะนะท้าวมหาพรมก็เลยคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะชิบหายเสียแล้วละหนอเสียหายแน่ชิบหายแน่นะหมดกันแน่จบเลยอย่างนั้นเถอะเพราะอะไรเพราะโลกจะพินาศเสียแล้วโลกก็คือโลกแห่งบุญกุศลเนี่ยพินาศหมดแล้วอย่างนั้นนี่ยนะไม่ใช่ว่า ว่าตามันไม่พินาศง่ายๆหรอกมันก็อยู่มันไปเรื่อยแหละแต่หมายความว่าโลกแห่งการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเสียหายแล้วว่างั้นน ะ, น ะ, นะเพราะว่าพระไทยใจของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้น้อมไปเพื่อขวนขวายเสียน้อยเสียแล้วไม่น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมน่นน ะ, นะรู้อะไรก็ว่าถ้าขวนขวายน้อยก็นะคนที่ฟังเนี่ยก็หมดเลยอดหมดโอกาส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 ดูความพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหละเท้ามหาพรหมผู้กระทำผ้าอุตราสค์เฉียงบ่าข้างหนึ่งคุกชานุมนฑนกล่วว่าคุกเข่าขวาลงบนแผ่นดินเนี่ยนะวว่านั่งแบบคุกเข่าขวาเอาเข่าซ้ายขึ้นสูงเนี่ยนะประนมอัญชลีไปทางป ร, ประนมนิ้วมือทั้งสิบไปในทางที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประทับอยู่แล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค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 เขาเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมเขาเหล่านั้นก็จะเสื่อมเสียไปแปลว่าเขามีปัญญาพอที่จะรู้ทั่วถึงทําได้เนี่ยยังพอมีอยู่โปรดเถอะว่างั้นนะโปดรดสงสารเขาเถอะอนุเคราะห์เขาสงสารเข า, า, เ, ข า, า, เ, ขาเขาพอจะได้รับโอกาสเขาควรจะได้รับโอกาสอันนี้ถ้าพราะองค์ไม่ให้เขาไม่สงเคราะห์เขาไม่แสดงธรรมโปรดเขาเขาก็หมดโอกาสเนี่ยนะ ะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยอาศัยความกรุณาอาศัยความอนุเคราะห์สงเคราะห์แสดงธรรมให้เข้าฟังเธอดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเท้ามหาพรหมนั้นกราบทูลเช่นนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมนั้นว่าดูก่อนพรหมแม้เราก็ได้ดำริแล้วเช่นนี้ว่าชไนโห น, เ, นเราพึงแสดงธรรม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 เขามีอะไรคือกรรมคุณห้าเป็นที่มายินดีด้วยตันหาตันหาของเขายินดีแล้วในอะไรคือกรรมคุณห้าเบิกบานไม่มีความสุขอยู่กับกรรมมาคุณห้าเรียกว่าเบิกบานแล้วในอะไรไม่เคยเครียดเสียใจในกรรมมาคุณห้าเลยอาหารนะก็จทานอาหารอร่อยนิ่งๆง่าไงเลยไหมหมักม้โอ้เบิกบานยิ้มยิมแจ่มใสสดชื่นไปหมดเลย ก็อันหมูสัตว์ผู้มีอะไรคือกามคุณห้าเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะนี้คือปฏิจจสมบัติคือปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่อาศัยการและการเกิดขึ้น